บนรนรพชาสามเณรและบวชแม่ชีน้อยวันที่19พฤษภาคม 2,559 โกรกาขอกราบนรัศกา ร, ร, การพระคุณเจ้าสามเณรคุณแม่ชีการมิททุกคนก็นั่งสบายๆเป็นปกนตินะทุกครูขอใช้เวลานิดนึงนะก็เนื่องนะจากมีบางท่านเข้ามานะ ปกติตอนปิดเทอมลองมีการบวชสามเณรเณไม่จีน้อยนะเพื่อบวชภาคฤดูร้อนหนื่นเดือนนะพอครบหนืองเดือน พ, อพ่อครูก็พาไปทศนิยนศษาที่หาซ่อนแก้วเขาคอเตรียมที่จะให้พระอาจารย์บาลมีทำพิธีสึลให้เราก็เป็นนันว่าสามเณรคุณไม่จีไม่มีใคร จะอพวนาสืกเลยไม่แต่คนเดียวก็เด็กขขาอยู่ในวัยเรียนเนาะก็ผู้ปกครองเราต้องมีทางต่อเมื่อเด็กๆเขามีกุศลจิตเพื่อจะมุ่งมั่นศึกษาทางต่อไปพ่อครูเลยจัดโครงการเชื่อมต่อแต่เฉพาะปีนี้เป็นปีมหามงคลของคนไทยเราทุกคน นะในหลวงขึ้นกองราชครบ70ปีพระราชนีเราเนี่ยมีอายุครบ7็ดรอบแปดสสีรษาซึ่งเป็นที่ว่าเป็นเป็นมหามงคลมหาบุญสนตลอคนไทยก็ทำโครงการนี้ต่อนะโครงการนี้เนี่ยจะบวชสารนันเนะแล้วก็คุณแม่จีน้อยเนี่ยจนถึงออกพรรษา และช่วงนี้ก็เรียนภู้ไปด้วยเพราะเขาอยู่ในไยเรียนะก็บ้างศาสนาโดยเฉพาะอิสลามเนี่ยเขาใช้ศาสนาเขาเนี่ยมาดำรงชีวิตนะตอนนี้พุทธเราในเมืองไทยเรานี่แยกหมดเลยไปโรงเรียนทุกเรียนทางโลกร้อยเรซนเรียนพุทธศาสนาบ้างไปแอบว่าอยูอ่ในสังคมนิดหนึ่งท่องจำให้มันสอบผ่านที่เจอเราไม่ได้ใช้ศาสนามา ดำรงชีวิตนะโดยเฉพาะโรงเรียนเราเน้นที่ IQ เก่งเก่งเก่งเขต้องไปต่อสู้ต้องชนะเขาสุดท้ายก็แพ้หมดแพ้ภัยตัวเองเก่งวิชาการมากพวกะครูเคยพูดบ่อยๆจบปริญญาเอกทางด้านภาษาศาสตร์เป็นด็อกเตอร์ออกมาคุยกับไม่รู้ภาษานั่นแหละไไงนะไอนั้นไปสร้างอัตตาไปลงว่าชั้นเก่งชั้นเจ๋งต่างคนต่างเก่งก็เลยคุยเรืเ่องนี้เรื่อง นะบางทีไม่ใช่คนเป็นศัตรูกันนะเป็ศัตรูทางการค้าทางการเมืองคนรักกันอยู่ที่บ้านบ้านเดียวกันนะคุยกันไม่อุ้ภาษาเพราะเราเป็นเน้นสอนเรื่องไอคิวเรื่องเก่งก็เลยมาเมก่งกับพ่อกับแม่เก่งกับพี่กับน้องกับสามีภรรยานะอาจารย์พุทธทาส พ, พูดตลอดว่าเป็นการศึกษามาหารล้วนพวกคูรอตั้งนานแล้วรอหลายปีที่มันเคลื่อนไม่เร็วเพราะว่า ครูเนี่ยเป็นคนไกสําคัญครูเราก็ไปเรียนวิชาไอคิวมาทั้งหมดอ่ะทีนี้พยายามอบรมอบรมก็ครูก็เหนื่อยมากงานวิชาการพราะครูใช้ก็ว่าบ้าบอบองมันเยอะมากไม่ทําตามเขาเขาก็ไม่ยอมเปิดโรงเรียนนะครูก็เครียดแต่ครูที่นี่ก็มาเข้าคอร์สเติมหนครั้งหนึ่งมันไม่พอจริงๆแล้วเนี่ยวิถีพุทธก็คือต้องปฏิบัติทุกวันตอนนี้มีแต่โรงเรียนวิถีพุทธแต่เข้าไม่ถึงวิถี มีแค่ลูกแบบเอาผลงานเฉยๆพวกคุณไม่กล้าปากประกาศว่าโรงเรียนเาเป็นวิถีพุทธนะที่จริงแล้วจีพื๊ดเนี่ยต้องการให้เป็นแบบนั้นเพราะมันเป็นทางเดียวที่ไปแก้ปัญหาสังคมมนุษยชาตินอกจากไอคิวที่ต้องเรียนรู้ไปคู่กันแล้วเนี่ยต้องมีอ e ีค e ิวอ e ีคิวก็ไม่พอนะอ e ีคิวเรื่องปรับสมดุลทางอารมณ์ นี้ปรับสมดุลทางอารมณ์ไม่ใช่ไปสอนให้เขามีมารยาทประเพณีวัฒนธรรมดีแส่นนะอันนั้นเข้าหูซ้ายออกหูขวามันต้องพัฒนาไปสู่ EQ หรือโมเรลโิธีเรื่องศีลธรรมแล้วก็เรื่องเรื่องจิตวิญญาณ mindfulness นะมันต้องไปด้วยกันสามอย่างนี้นะไม่งั้นเราแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้แก้ปัญหาสังคมไม่ได้ก็วันนี้พวกวหนะูทัวไปบ้านที่จริงใยญ่นะฉะนั้นแต่คุณไมช่ชีน้อย อายุสี่ขวกน้อยที่สุดขึ้นห้าขวกแล้วก็สา ม, มนเณน้อยเนี่ยพ่อคูกาว่า ย, ย่างสนิทใจเขายิ่งใหญ่เขาเก่งว่าผู้ใหญ่หลายคนเรียนจบสูงๆแล้วมหาเศรทฐีแล้วเนี่ยหมดจะเอาตัวรอดถ้าสุดท้ายเขาก็ไม่รอดเพราะโจรผู้ร้ายเต็มไปหมดแล้วมันก็จะถูกฆ่าตายไม่มีเวลานะกลัวามากจะเป็นภาระอุ้ยนล้วมีทางรุ่นเก่าเคยมาต่อว่าพ่อครูนะ พ่อครูไหนบอกวาวางแล้วไหงมาจากอเมริกาเลือกต่อสู้แล้วเนี่ยมาปีไรปีไรเนี่ยสูนย์นี่เปลี่ยนแปลงสูนจิตใจสูนสมองสูนย์ปากทองอันนี้ไม่รู้สูนอะไรอยู่นางนอตอนนี้อาจจะเป็นหอพักไม่ฉี่้อยก็กำลังจะสร้างหอพักเมนะไม่ใช่กุฏิเนนะเราพยายามจะปรับศาสนาให้มันเข้ากับยุคใหม่ไม่ใช่ว่าศาสนาก็ฉี่ออกไปเลยการศึกษาก็ฉี่ไปเลยเนี่ยมันสุดโต่งนะ เที่ยวนี้เป็นเพิ่มแนกที่ว่าโอเคเรามาทํากันเดี๋ยวพวกครูจะสร้างข อ, อพักเน้นน้องคือทางโลกเราก็เรียนคู่ไปด้วยโลกมันเปลีป่ยนนะเราจะซื้อวื้งเหมือนในอดีตแล้วเราก็ถูกกินหมดถูกแปลงแกแต่ในทางเดียวกันเราก็ต้องปลูกสํานึกวิธีปลูกสํานึกน่นไม่ใช่ไปปลูกสํานึกสอนเขา้ามีมารยาทนะลูกเป็นคนดีนะลูกเป็นเด็กดีลูกไม่เคยพาลูกไปทําความดีเลย แค่อย่าทำความช่วยให้พ่อแม่เดืดร้อนเท่านั้นเองนะก็เราต้องปลุกสมนึกจิตสานึกมีอยู่แล้วไม่ต้องสอนปลุกสมนึกใค้ก็ตื่นวิธีปลุกสมนึกเนี่ยในศาสนาพุทธเรามีเครื่องมืออยู่แล้วคาวิปสัสสนาทุกคนก็พูดแต่แต่วิปสัสสนามีแต่วิปสัสสนึกนะคือเข้าไปไม่ถึงนะตอนนี้แต่เราไม่ขีควาเราเเห้าขวบนะเข้าไปในจิตได้แล้วเห็นไหม พฤติกรรมกำลังเปลี่ยนตตอนนี้มารุ่นไม่ทีน้อยไม่ทีเตีบอันนี้ก็เข้าห้าปก น, นะเนี่ยเนม น, นกันพ <c oughs> ปกติคาว่ายุวชนเยา ว, วชนยุวะนะยุวะยาวะก็คือเขาเยา ว, วาย์วัยเขาอ่อนด้อยวโลกเขาขาดประสบการณ์สมาธิสั้ง <c oughs> ผู้ใหญ่เราโมยหทะเลาะกันวิ่งหาเงินเศรษฐกิจทะเลาะกันเนี่ยปล่อนนยอให้สังคมเละเทะไปหมดเลย นะก็ผู้ใหญ่ก็ไม่สําเร็จเพราะสังคมเรียกสหาเงินมาก็เอามารักษาโรคเครียดโรคมาเองมาแก้ปัญหาอย่าไชนปีกันข้ากันนะเราเอาเรื่องเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวจนลืมเรื่องชีวิตเพราะกูเห็นมาหลายปีแล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากนะตอนนี้ไม่ใช่งานแค่ศูนย์นะสองอาทิตย์ที่กูออกไปข้างนอกเนี่ยกูตั้งในห้าจุลโดยเฉพาะอําเภอหน้ําหนาวเนี่ย เด <N> <game> ี๋ยวผู้กครูบอกให้ผู้ในการโรงพยาบาลมาที่นี่นะก็จะให้เป็นประธานชมรมยอดที้มนจะมีน้าหนาวโมเดิลเพราะบ้านเมืองประเทศโลกนี้ปกคกองด้วยประเทศเธอประเทศกันระดับประเทศมีคณะบริหารประเทศคือนายกตระเนคณะรัฐมนตรีและระดับจังหวัดระดับอําเภอระดับตำบลระดับหมู่บ้านทีนี้พวกครูเลือกระดับอําเภอเล็กๆเป็นน้าหนาวโมเดิล แตนะ่มูลรีที่จะตั้งกองทุนเนื่องจากงกประมาณรัฐบาลก็มีจำกัดไอท้ที่มีอยู่ก็พราะคูพูดไม่ใช่พูดในเนตนพูดจริงๆก็ได้นะทุกวันนี้เรียนจนจบสูงสุดความรู้เต็มตัวแล้วเนี่ยแต่ถ้างบไม่มีเป็นห้อยหมดแต่ถ้างบมาก็ง่ากกับงบ ม, มีแต่เอาไปทำอะไรก็ไม่รู้นะตอนนี้เราต้องพึ่งตัวเองมูลรีที่เขพยายามจะตั้งกองทุน เพนะื่อให้นางนาวโมเดลเนีเห็นเป็นผู้กระทำผก้บริการในรายงานก็คลัว่าปีนี้หนูต้องตั้งงบเพิ่อมอีก 30% ค่าย า, ยาในขณะที่ประชาชนเท่าสะอนเห็นว่าตกต่ำของมซิเกียชายุคนี้ไม่ใช่ยุคสี่วายยุคนี้เป็นยุคตกต่ำสุดในมซิเกียชาพินิจเลยทุกคนจะเอาตัวรอดแล้วสุดท้ายไม่รอดแล้วก่อน เพราะความอยากได้เราทำลายสิ่งแวดล้อมนะคุณหาเงินมาคุณก็กมารักษาโรคเครียดโรคมะเร็งแล้วจาเมื่อประมาณที่ไหนเนี่ยเก็บภา ษ, ษีเรียกเลือกจากกูแล้วก็ไปให้ค่ายาค่ายามันเป็นการแก้ปัญหาลายเหตุถ้าเราปฏิบัติจริงจังเอาวิถีศาสนาเราไปอยู่ในดงรมชีวิตจริงๆนะทุกคนไม่ต้องพึ่งยาเพราะูเองอยู่ที่นี่27ปีไม่เคยกินยาแก้ป่วยม่เ็ ในขณะที่40ปีที่ป่ามโลกเป็นไมเกรนความเครียดลงกระเพาะในขณะที่เงินเป็นฟ้าถามว่าคุณอยหาเงินมาทำไมฮะ <Huh? S 1> หาเงินมาทําชั่วหาเงินมาสร้างกลับแล้วก็พอๆพอพอพอพอมีงานกุศลแล้วให้ทุระไม่ใช่คิดว่าเอาตัวรอดไม่รอดคุณหายใจเข้าหายใจออกก็สูบมลภาวะที่เราช่วยกันสร้างนะชีวิตก็เครียดนะสิ่งดีๆตอนนี้เนี่ยไม่ออก เพราะเราสอนเรื่องไอคิวาจะสิ้นเก่งๆเพื่อชนะคนอื่นอันนี้เราพูดเข้าๆมันมีมากมายถ้ายุคนี้สิ่งวิเลยจริงๆต้องไม่มีคนปิดทุกต้องไม่มีคนล้นลโรงพยาบาลอันนี้คนล้นคุกล้นโรงพยาบาลล้นโรงพักเป็นยุคที่ตกต่ําที่สุดของของมนุษยชาติเราสร้างกำนังล้านฐานทรัพยากรของโลกนะน้ำมันกว่าจะเป็นน้ำมันกี่ล้านปี วันนึงเจาะขึ้นมาเป็นล้านหลายล้านมาเรเพื่อกำมาแรกเป็นเงินเป็น GDP มันก็ถล่งสิมันเป็นโพลน้ำบาดาลของเพียร์นาเขานะไอทุนนิยมขนาดใหญ่ก็ไปเจาะแท่อมางใหญ่แเ้าขึ้นมาใส่หัวขายนะมันก็ะล่สินะตอนนี้นะฝนแรกท้งน้ำท่วมนี่คือผลงานของมนุ์ผู้ให้ประเสริฐเพราะุกุณิวังนะไม่ใช่โครงการมีพ เกิดขึ้นเองเรากำลังสร้างโดมแบบนั้นเราพวกคุเรียกว่าลานสุริยันจันทาเมื่อท้าพุทบอกพวกเลยว่าให้พวกพวกคุเห็นแล้วอะไรคือสุริยันจันทานี่สีเหลืองนั่งอยู่ข้างหน้าอันี้คือสุริยัจันทาคือไม่ชี้ขาวแสงสว่างตัวนี้เนี่ยพระอาทิตย์เราเรียกว่าพระอาทิตย์เนี่ยพระท่านเป็นพระยิ่งกว่าพระอริยสงฆ์อีก พระดีษสงุรุ่นต่อรุ่นพระอรหันต์ก็มรณะจากไปจากไปแต่พระพิทัท่านยังอยู่เมตตามากถ้าวันไหนพระพิทัท่านริ้วบอกมนุษย์ที่ไม่มีกิเลสท่านนอนท่าผ่อนทั้สาคืนสาวันไม่ให้แสงสว่างตายหมดแล้วท่านพยายามเอาพระจันทร์เนี่ยเป็นตัวส่องสภาพซ้อนท้อนออกมากลางคืนเราก็เลยมีแสงจันทร์นี่คือธรรมชาติ แต่เราไม่เคยรักษาธรรมชาติกันเลยเราไม่แต่ทาลายเพื่อจะสร้างเศรษฐกิจนี่แหละเพราะคูก็สรุปว่าผู้ใหญ่สร้างสังคมเร็วๆให้เด็กมันอยู่ในฐานะผู้คูเป็นผู้ใหญ่คนหนึงไม่ต้องไปรายงานใครเพราะคูก็ทํามา27ปีนะสินคือความปกติของจิตสิน5สิน8สิน10สินปฏิโมกเป็นแค่ทินัยเป็นแค่สินสมมติเป็นอุบายเพื่ออยู่ร่วมกันไม่ต้องสร้างกรรใหม่ แต่ก็บังเพียงมือถือสาปาถือสินถือถือถูกๆเพราะกูยี่สิบเจ็ดปีไม่ต้องถือสินมันหนับแต่ไม่ทําชั่วแน่นอนเมื่อจิตมันเข้าถึงสภาว่าเดิมของเขาแล้วเนี่ยภาสามีศินห้าอยู่แล้วเต็มเปี่ยนไม่ต้องถือสินศิลคือความปกติเกิดมาก็มีแล้วแต่ตอนนี้มันหายไปหมดมันถูกความรู้ผิดนะถึงแฝงในโลกปวดหลงเน่ยมันวอล์กไว้คิดตามความรู้ตามภาษา มีแต่อยากได้ของเขาก็เลยไปโกหกเขามีแต่อยากกินก็ไปฆ่าเขาถึงแม้สิลเราหายไปหมดตอนนี้ต้องมาถือสินแบบวินัยนะถ้าทุกคนปฏิบัติมรรคเพียนให้จิตเรากลับไปสู่สภาวะเดิมของเขาแล้วเนี่ยเราจะมีศิลโดยธรรมชาติอยู่แล้วเด็กๆนี่ง่ายมีแต่ว่าคนที่ยากคือผู้ปกครองนะทํายังไงให้ยอมเข้าใจสิ่งที่เราทํา นะเด็กบางคนอยากแต่ บ, บวชผู้ปกครองก็ไม่ให้บวชนะกลัวจะไม่ได้ใช้แรงงานถ้าเรารักลูกจริงๆเราต้องรู้ว่าลูกเราอยู่ในวัยที่กําลังเรียนรู้เราต้องให้โอกาสเขาเรียนรู้สร้างกรุงรับกันให้เขาก่อนเพราะโลกสมัยข้างหน้าเนี่ยมันยิ่งมามันยิ่งแข่งขันกันแรงขึ้นถ้าลูกเราไม่มีเกราะป้องกันภัยแล้วเนี่ยเราจะเป็นเหยื่อนะ มีแต่เอาเก่งเก่เกเาเก่งสูงสุแล้วไงก็ครูตาไปแล้วเก่งสูงสุดจบด็อกเตอร์ปริญญาเอกเป็นศาสตราจารย์มันยังคุยกันไม่รู้เรื่องไงถ้าคนเก่งเนี่ไม่ต้องคุยกันงงตาเลยก็รู้ใจเราไม่ต้องเสียนอะไรเลยใช่ไหมถ้าไม่เก่งจริงมันหลงความเก่งตัางหากนะนี่พูดภาษาเหมือนยงแรงหน่อยแต่ว่ามันยังอ่อนกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยตอนนี้ลูกฆ่าพ่อหัวข่าเนี่ย นะไม่บ้าก็ติดยาให้มนบ้ามนุษย์จริงๆทาอย่างนั้นไม่ได้ชาชามันได้กระทําทนะเอาเล่ายี่ห้อแพงที่สุดให้กินมาเล้วอะไรก็ไป่รู้เหม็นเห็น ไ, ไหมชาวชามันได้กระทําเพราะมันมีศีล น, นะศีลคือความปกติของจิตแต่ตอนนี้ศีลเราหายไปไหนหายหมดนะอันนี้ก็ให้ทุกท่านเข้าใจว่าหนึ่งเด็กๆยิ่งใหญ่มากตั้งแต่เด็ก เ, ก เ, กเกขามีโอกาสสมองคุณแผ่นดินเกิเดแล้วเห็นไหม นะโดยเฉพระองค์ในหลวงลายชนินีท่านทุ่มเทสร้างบ้านแปลงเมืองให้เรามาตลอดชนี้ตอนนี้ยังไงก็ช่างทุกคนก็หนีสังขารตัวเองไม่พ้นพวกเราในฐานนะลูกหลานของพระองค์นะเกิดมาในแผ่นดินนี้กินข้าวที่ปลูกในแผ่นดินนี้เราต้องมีกตัญญูรู้คุณอะเรายังหาเงินไม่เป็นเราไม่มีเงินไปบริจาคแต่เรามีชีวิตไงเรามีผมไง เราแสดงออกในการตรงผมลดล่าเลือกความสวยงามความหล่อความสวยนี่แหละคือเป็นการแสดงออกไม่แค่พูดแค่วาจานะเด็กเหล่านี้แนะี่ยยิ่งใหญ่มากนะพราะูก็ปวารนาตัวเพวาะครูจะดูแลนี่คือสุริยะสุริยันจันทาที่แท้จริงนะสังคมโลกทุกวันนี้นยมันมืดหมองแล้วละในสมองมีแต่เรื่องผลประโยชน์นะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวาล่หนึ่ง นะอย่าไปสุดตรงคุณพระโองคเองตับไว้ว่าเป็นไปตามเหตุและปัจจัยนะไม่ใช่การอนุรักษ์ของเก่ามันไม่ทันยุคทันสมัยนะไปนั่งสมาธิแบบกดมันไวเด็กเขาสมาธิชั้นเขา ก, เขาก็เขาก็เครียดนะแล้วก็ต้องมีเทคนิคอุบายวิจีเนี่ยที่ทำให้เขาเนี่ยทำได้มีความสุขกับสิ่งที่เขาทำแล้วสุดท้ายจิตเขาก็ปปตื่นนะลบกุกจิตเากตื่น พวกกูใช้คำว่าเช็คแอนด์แดนซ์เช็คเนีในภาษาอังกฤษพอแปลเป็นไทยคือเช็คอัพโยมายคือกระตุ้นจิตให้ตื่นนี่คือปลูกจิตสนึก Dance แดนซ์เซอร์ไซเคลื่อนไหวออกกาลังกายโดยการเต้นรำนะไม่ใช่ไปปุูกจิตอย่างเดียวทรามานสังขารนั้นจีนิยมไม่ใช่เอาร่างกายแข็งแรงอย่างเดียวเพื่อเอาชนะคนอื่นเหมือนนักกีฬาตอนนี้นะเอาชนะคนอื่นชนะแล้วก็มีใจแพ้ปลูกท่าตัวตาย นะร่างกายแข็งแรงแต่จิตไม่แข็งแรงตอนนี้เนี่ยศาสนาพุทธสอนเอาไปทั้งหมดกายเวทนาจิตธรรมนะมีทั้งกายมีทั้งจิตมีทั้งอารมณ์เราต้องพัฒนาให้เด็กเราแข็งแก่งทำไมพวกครูมายุ่งกัชีวิตเขาเพราะพวกรูรับชาติพกอคูอยู่เมริกาเงินเต็มบ้านพวกกูเซ็สุขตลอดชาตินี้ก็ไม่หมดนะพวอกูอยุดเนี่ยพวกคูเลอกกลับมาบ้านเกิดนอ น, น, อนพู่เกิดที่อบล และตอนนี้เนี่ยเป็นอีสานใต้สุดนะเวลาที่เลือพ่อครูเหลือกหนึ่งวันพ่อครูสนองคุณแผ่นดินเกิดพ่อครูก็ครูเกิดที่นี่แล้วก็สนองคุณครูบาอาจารย์ผู้รู้ผู้สื่อผู้บริบาลผู้ที่ทําให้ครูบรรทุกถึงพระคุณเจ้าพวกครูทำสองเรื่องอย่ากถากว่พวอครูมายุ่กับเด็กเรานิดหนึเด็กเหล่านี้ก็คืออนาคตของชาติเมื่อเรารักชาติอย่าพูดแต่บาอาจารย์เราทําอะไรหรือเปล่า ไม่ทางอะไรจับถูกจับอีกแล้นั้นพวกคูฟังพวกคูสัตว์เลยว่าได้ยินนะก็เข้าใจเข้าใจอะไรรนะู้ไหมเข้าใจกิเลสที่อยู่ในใจทุกคนพวกคูเข้าใจทุกคนได้นะพวกคูเห็นใจทุกคนได้นะพวกคูเข้าไปในใจทุกคนได้พวกครูจึงไม่ตามใจไงมีแต่กิเลสนั้นนะบางครั้งภาษาครูเนี่เป็นออกมาตรงตรรับได้ก็รับได้รับไม่ได้ก็ตัวใครดูไนะก็ขออนุญาตนาสาธุกับลูกหลานเราเนี่ที่ยิ่งใหญ่มากนะ ทุกคนเนี่ยมาช่วยกันจนโลงพระศาสนามาช่วยกันรักชาติเป็นแบบอย่างที่ดีนะขอเวลาเขาสักพักหนึ่งนะแล้วเราไม่ได้ทิ้งการเรียนนะ เ, เราก็เรียนคู่กันไปในทางโลกโลกกับธรรมไปด้วยกันไม่ใช่ไปแยบกบโลกแยกธรรมเออนั้นทางธรรมนีทฉันทางโลกแต่มายู่กับฉันกิเลสเข้าใจพูดนะนะถามว่าทางโลกตายไหย มีใครมีเงินเป็นแสนล้านแล้วก็ไม่ตายไห ม, มตายหมดนั่นคือทางทางหมดนั่นแหละทุกคนมุ่งไปสู่ความตายหมดอยู่ที่ตายดีหรือตายชั่วตอนนั้นเองนะก็วันนี้ก็คือโอกาสแต่ใช้เวลาน้อยนิดแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ปาวนาตัวว่าจะพยายามทําที่เราทําได้ตามกำลังทีท่ก็คูมีอยู่สุดท้ายนี้ก็ให้สามเณรคุณไม่ชีน้อยนะแล้วก็ไม่ชีใหญ่นั่นการก็ ก, ก, กลำลังอยู่ระหว่า เรามาจับจูงแขนกันเดินทางด้วยกันขอทุกขั้นเนี่ยบรรลุมรรคผลนิพพานโดยไวัยเทินการาบอาจารย์ครูขับพนมมือขึ้นกเมื่อพร้อมแล้วกลา่าว เขา